บางตอนเป็นพื้นดินแห้งแข็งรอยนั้นก็เลือเลือนๆหายไปแต่ตอนไหนที่มีซุ้มไม้เล็กๆและใบไม้ที่ตกอยู่เกรื่อนกลาดก็เห็นเป็นทางไอ้กูด ร, ร, รากเหยื่อของมันไปด้วยพลังมหาศาลทีเดียวสังเก ต, ตจากพงไม้บางตอนที่หักราบสำหรับเชษฐากับชายยันถึงแม้จะไม่เคยเห็นตัวมาก่อนทั้งสองก็สามารถจะคำนวณไดจากรอยตีนว่ามันจะต้องเป็นเสือขนาดไม่ต่ำกว่าแปดศอกไม่ต้องสงสยัยเจ้าเอิญผู้เคราะห์ร้าย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 ระพินตอบเบาๆแล้วบอกให้เกิดขึ้นไปตรวจดูทางด้านบนตนเองวกตามลงลำห้วยแห้งอีกครั้งเชษฐ้าแยกตามไปกับเกิดและเมยส่วนชายยานตามรบพินไปห่างประมาณ29จากตำแหน่งที่พบผ้าของม้าตกอยู่ลงมายังลำห้วยระพินก็พบหย่อมเลือดเข้าอีกเสียงชายยานพึมพำออกมาอย่างพอใจจอมพรานชูมือขึ้นเหนือศีรษะดีดโดยแรงสองสาครั้ง ในความเงียบเช่นนั้นเสียงของมันดังไปถึงพวกที่แยกตายขึ้นเนินสูงเป็นสัญญาณเรียกดังนั้นอีกไม่กี่อึดใจเชษฐาเกิดและเมยก็บุกลงมาสมทบแปลกจริงเสียงเชืฐาร้องออกมาอย่างตื่นเต้นเมื่อเห็นรอยเลือดซึ่งรรบพินส่องไฟให้ดูแทนการบอดด้วยวาจาบนพงโรคริมทางด้านนูน้นเราก็พบป่าหักลูเป็นทางไปเหมือนกันคล้ายๆกับว่ามันจะลากขึ้นสูง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 ราวกับคนระพินไม่ได้พูดคำใดอีกนอกจากนำต่อส่องไฟสูงและต่ำสนับกันสังเกตในระหว่างตะลิงสองฟากและพื้นลำห้วยพอมาถึงบริเวณตะลิงต่ำตอนหนึ่งเขาพิจารณาอยู่หยุดใจเดียวก็ต่ขึ้นตะลิงทางด้านนั้นกาดไฟไปรอบๆอย่างรวดเร็วครั้นแล้วบัดนั้นเองทุกคนที่ติดตามมาทางเบื้องหลังของเขาก็อุทานออกมาเป็นเสียงเดียวกัน จากลำไปฉายของรถพินและของคนอื่นๆที่ศาสตประดับเข้าไปรวมจุดร่างของลูกหาบเคะร้ายนอนอยู่ที่ริมจอมปลวกใหญ่ห่างออกไปเพียง20สิบเมตรทั้งหมดเคลื่อนเข้าไปอย่างรวดเร็วศพนั้นนอนอยู่ในลักษณะงายตาทั้งสองเหลือกลานเบิกค้างรอยเขี้ยวฝังลงไปบนศีษะตรงบริเวณท้ายถอยด้านหลังกระดูกคอต่อหักสิ่งที่หวาดเสียวที่สุดก็คือแผ่นท้องถูกกัดเบิกวะ เครื่องในทรักเลี่ยราดออกมาและบางส่วนของเครื่องในเหล่านั้นก็ขาดหายไปตัวของเขายังอุ่นๆ อ, อยู่ได้ซ้ำพื้นตอนนั้นแห้งแข็งก็จริงแต่รอยตีนของเจ้าสมิงร้ายปรากฏอยู่รอบๆตัวศพอย่างชัดเจนเพราะมันเหยียบย่ำเลือดไว้อาจไม่เกินหนาทีนี้เองที่มันพระจากซากไปอย่างนกลู้เมื่อได้กลิ่นของฝ่ายติดตามระยะที่ค้นพบศพและตำแหน่งที่ตั้งของแคม มันอยู่ในรัศมีที่ห่างจากการไม่เกินหนึ่งกิโลเมตรเป็นอย่างสูงและกินเวลาทั้งสิ้นในการแกะลอยเลือดเพียงครึ่งชั่วโมงเศษเท่านั้นมันเพิ่งผ่าซากไปหยกๆยกนี่เองตอนที่พวกเราเดินอยู่ในรำห้วยระปินผู้ต่ำาๆสาดฟิชายกวาดไปเป็นวงกลมสำรวจบริเวณเกิดกับเมยก็แยกกันออกไปส่องหารอยทิศทางของมันคนละทางคุณคิดว่าคืนนี้มันจะย้อนมาที่ซากอีกไหม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 คืนนี้แกกลับไปนอนให้สบายที่ก่อนเถอะระพินดีดนิ้วเรียกเกิดกับเมยเข้ามาสั่งความแล้วให้ทั้งสองนำชายยานเดินทางกลับไปยังแคมป์เมื่อพวกนั้นแยกลงห้วยเดินกลับไปเขากับเชิฐาก็ช่วยกันสํารวจหาที่นั่งซุ่มและหาเลยกันอีกครั้งระพินงัดเชือกร่มที่แขวนติดเอวมาออกมาผูกขาศพไว้ปลายข้างหนึ่งไปผูกไว้กับโคนต้นไม้ขนาดขาวอ่อนการไม่ให้ไอ้กุดหรือเสือตัวอื่นๆมาคาบศพรากเพลนหายไปได้โดยสะดวก เพราะอย่างน้อยที่สุดมันก็จะต้องติดเชือกที่ผูกมัดไว้พอจะปร ะ, ประวิงเวลาจังหวะช ง, งักให้ยิงได้ทันเชษฐาเลือกได้โคนไม้ใหญ่ขนาด10บคนโอบต้นหนึ่งมีรากที่โคนต้นยื่นออกมาเหมือนผนังกั้นห้องจนทำให้บริเวณภายในซึ่งกว้างประมาณ2เมตรมองดูเหมือนโพรงและเบื้องหน้าในระหว่างโคนไม้กับศพนั้นก็มีซุ้มไม้บางๆกั้นอยู่แทนบางพรยไปในตัวระยะห่างจากศพประมาณ30เมตร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 และบริเวณใกล้เคียงได้ถนัดตาวกว่าแรกแต่ก็ไม่ถึงกับโปร่งโรคนักเอากิ่งไม้ที่ตัดสะไว้ในส่วนที่ใช้อำพรางแล้วก็เข้ามานั่งซุ้มคู่อยู่กับเชษฐาโดยตนเองนั่งลึกเข้าไปและเยื้องไปทางด้านขวามือของเชิฐาให้เชฐฐาล้ำหน้าเยื้องไปทางซ้ายผมจะเป็นคนส่องไฟนะครับคุณชายเป็นคนยิงระพินกระซิปแนนจะเหมาะหรือผมส่องให้คุณดีกว่ากันมัง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 สูบเถอครับไม่เป็นลายหรอกผมเชื่อว่าขณะนี้มันคงไม่ได้ป้วนเปี้ยนอยู่ในละแวกนี้แน่ๆถ้ามันจะย้อนกลับมาก็คงในราวใกล้ๆลุ่งอดีตในพันโทหัวหน้าคณะเดินทางจุดสูบและส่งไปให้เขาตัวหนึ่งถามจริงๆเถอะตามความรู้สึกของคุณไอ้กุฎมันจะย้อนมาในคืนนี้ไหมอย่างที่ผมบอกแล้วนั่นแหละครับถ้ามันจะมาอีกครั้งก็ตอนตีสหรือตีหโอกาสของเรามีอยู่ในระหว่างนั้นเอง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 คนทั้งหมดยังไม่มีใครคิดที่จะหลับนอนกันเลยสักคนเดียวไฟถูกก่อเรียงรายลูกสว่างโพรงรอบด้านผิดไปกว่าคืนก่อนต่างนั่งจับกลุ่มพูดคุยและรอรับฟังข่าวอยู่อย่างกระสับกระส่ายเมื่อเห็นทั้งสามโผเข้ามาถึงต่างก็พู ก, กันเข้ามาสอบถามเกิดและเหมย์ทำหน้าที่บรรยายถึงเหตุการณ์ที่ตามรอยไปพบศพของเอินให้พวกนั้นฟังชายยานแย่เดินตรงไปที่เต็นท์หม่อมราชวงศ์หญิงดาลีนยังอยู่ในชุดเดิม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 ชัยยันยกแขนขึ้นป้ายเหงื่อบในใบหน้าเดินเข้ามาสุดตัวนั่งบนโคถหินเตี้ใกล้ๆวางปืนที่ถืออยู่พิงกับกองฟืนไว้ดื่นกาแฟจากกาลงถ้วยพลาสติกขึ้นดืม่มแล้วถอนใจเฮือกเล่าให้หญิงสาวฟังอย่างละเอียดในการติดตามรอยไปพบศพลูกหาบเคราะหลา์ละหซึ่งราพินกับเชษฐาคอยดักเฝ้าสร้างในคืนนี้โดยตกลงกันไว้ว่าพรุ่งนี้เขาจะเป็นผู้ผลัดเวรไปเฝ้าแทน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 พวกลูกหาบทั้งหลายจะมิ่นน้ำใจเราได้พี่ชายของเธอเป็นคนอย่างไรเธอก็รู้นิสัยเขาดีอยู่แล้วถึงเขาไม่นั่งกับระพินในคืนนี้ฉันก็จะนั่งแทนรวมความว่าจะต้องมีพวกเราคนใดคนหนึ่งร่วมอยู่ในการปราบไอเสือร้ายตัวนี้ให้ได้ไม่ใช่โยนหน้าที่ไปให้ระพินคนเดียวและเมื่อระพินนั่งซุ้มดักยิงอยู่กับพื้นเราก็ต้องนั่งในลักษณะเดียวกับเขาเสียงอย่างไรก็เสียงด้วยกันอย่างนั้นไม่งั้นเราจะเป็นนายจ้างร่วมเดินทางไปกับเขาได้ยังไง ฉันบอกเธอแล้วว่าไม่ต้องวิตกไปหรอกเชื่อถามือดีพอที่จะไว้วางใจได้ทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีรพินคอยเป็นพี่เลี้ยงอยู่ด้วยอย่างนี้ก็เบาใจได้สนิทมีแต่ว่าไอ้เสือผีสิงนั่นจะไหวทันไม่ยอมเข้ามาเสียมากกว่าดาลินควักบุหรี่ออกมาจุดสูบแล้วโยนซองมาให้เพื่อนชายหล่อนซุ้ตัวลงนั่งบนขอนไม้ตามเดิมคิ้วงามทั้งสองของมวดพูดต่อมาอย่างไม่หมดกังวล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 ทำไมรัพยพีนถึงบ่นหนักอกหนักใจเิียหนักหนาในกรณีที่เธอชอบฝ่าฝืนคํ า, าเตือนของเขาดาลินเงียบกติบไปนั่งเอามือรองคางกัดเล็บมือมองดูแสงฝ่ายที่แอบเดียอยู่ในกองหล่อนกําลังนึกถึงภาพตนเองที่แอบลงไปเล่นน้ําคนเดียวในลาธารเมื่อตอนบ่ายนี้และรัพยพีนตามลงไปเกิดเป็นปากเสียงกันขึ้นจนกระทั่งช้างแม่ลูกอ่อนโผล่ออกมาสร้างเหตุการณ์ตื่นเต้นขึ้น สมมุติว่าในขณะนั้นถ้าผานใหญ่ตามลงไปไม่ทันหรือถ้าหากว่าก่อนหน้านั้นเจ้าเสือร้ายผีเสียงย่องมาคอยดักหล่อนอยู่ก่อนอะไรจะเกิดขึ้นหญิงสาวใจหายเมื่อหวนคิดได้เช่นนั้นนี่บุญคำกับพวกที่ไปเอาวัวแดงยังไม่กลับมาอีกหรือชยันถามขึ้นกวาดสายตาไปรอบๆแล้วมองไปยังแง่ทายผู้นั่งสงบเฉย อ, อยู่ยังครับเจ้านายหนุ่มชาวดงผู้ลึกลับตอบห้าวๆในราคอ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 ซึ่งเชิฐายิงล้มไปเมื่อตอนพบข้านั้นได้เกิดอะไรขึ้นทางแคมป์แต่ก็ได้รับการบอกเล่าให้รู้เรื่องภายในมิกี่อืจใจต่างพากันตกตะลึงพึงเพิดไปซักถามกันแซดไปหมดไม่มีใครหันมาสนใจกับวัวที่ชำแหละบรนทุกมาบนเกวียนนั้นเลยเพราะมัวแต่ตื่นเต้นอยู่ในเหตุร้ายชายยันสั่งให้แงซ า, ายไปเรียกบุญคากับจันผู้เพิ่งจะมาถึงเข้ามาพบเกิดกับเสยก็เลยตามเข้ามาด้วย พานทั้งสี่ของรพินเข้ามานั่งเรียงรายอยู่หน้ากองไฟใกล้ๆกับชายยันและดาลินผู้นั่งอยู่ก่อนแล้วบุญคํากับจันทร์รู้เรื่องแล้วไม่ใช่หรือว่าเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นช ย, ยันพูดขึ้นบุญคํากับจนันทร์มองดูหน้ากันครับผมคิดไม่ถึงเลยลูกหาบของเรามันขนองเองไม่ยอมเชื่อคําสั่งของคุณรพินน่าสีดใจมิเกินมันเป็นเค้อร้ายของเขาเอง